ตนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและก็บรรดาเพื่อนมีสูธรสมณี น, น, นสำหรับตอนนี้เป็นตอนเล่มที่สองของหนังสือประวัติประกอบมโนวิธิความจริงตอนก่อนๆที่แล้วมาก็รู้สึกว่าบางตอนก็นิ่มนวลบางตอนก็เข้มข้นเกินไปก็สุแล้วแต่สถานการณ์ <c oughs> ตอนนี้พ่ออรัยพูดว่าเกี่ยวกับเสียงอาการของโรคความจริงเมื่อวานนี้ที่บันทึกตอนจบของเล่มที่หนึ่งผมเข้าใจว่าเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมแต่ความจริงไม่ใช่เป็นวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดเป็นวันบันทึกเสียง แล้วก็ให้สมพรกับพรนรสทำเป็นหนังสือต่อไปสำหรับวันนี้ก็อย่าขอคุยกกีเรื่องตายความจริงเรื่องตายตายนี่ก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่ามีประโยชน์แต่ความจริงใครจะยกยอดหาว่าตายเป็นโ อ, อริมโนสธรรมก็เชิญเขาตายกันจริงๆไม่ใช่ลองตาย มีบางคนมาถามว่าอยากจะลองตายบ้างความจริงส่วนที่แล้วมาเนี่ยก็ไม่ได้ลองตายมันตายเขามันจริงๆ <c oughs> เล่าเรื่องตายเล่าไปเล่ามาก็ปรากฏว่าข้ามไปตอนหนึ่งในความจริงที่พูดนี่ผมไม่ได้มีหนังสือพูดจากความจาวันนี้ก็จะขอยกยอดให้เป็นความตายของวาระที่เจ็ดพที่เจ็ดก็แล้วกัน ความตายของวาราที่เจ็บนี่ความจริงมันเป็นอายุ14ปี <c oughs> แต่ว่าเรื่องพศผมก็ไม่อยากจะบอกพศมันจำไม่เคยได้แน่นักเวลานี้รู้สึกว่าไม่อยากจะจำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไว้ตามเรื่องดีกว่าการตายคราวนั้นถ้าพูดเรื่อตายจริงๆมันก็ไม่ตาย ถ้าเยาว่ากันเกือบตายก็จะโถ ก, กว่าคือเป็นอนุว่าเมื่ออายุได้สิบสี่ปีในตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มเป็นหนมแต่ความจริงๆแล้วผมมีคนสอนให้เป็นหนมตั้งแต่อายุ1ิบสองปีอายุเข้าสิบสองปีตอนนั้นก็ไม่รู้จักบาปบุญคนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ มีความรู้อยู่อย่างเดียวก็คือว่าโทษขึ้นตรงนิวจะต้องเป็นเรื่องสมสู่กับพัญญาของบุคคลอืน่นถ้าลูกสาวเขาก็ดีลูกจ้างเขาก็ดีคนแต่บังคับบัญชาก็ดีอะไรก็ตามไม่มีใครเขาบอกว่าเป็นปฏิเัตทาสร้างสนิวแต่ตั้งแต่ยุที่สองมาผมก็เริ่มสร้างสนิว สร้างจากคนรุ่นพี่สอนเขาเชิญไปนอนเป็นเพื่อนบ้างเชิญไปอยู่เป็นเพื่อนบ้างชวนไปเล่นหัวอะไรบ้างอ็ตามอ้นี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกแล้วเมื่อมีการสัมผัสกันหนักๆเข้าความรู้สึกมันก็เกิดก็เป็นว่าสั่งสมสวนต้นยืนเรื่อยมาตามลําดับแล้วก็สั่งสมเรื่อยมาเป็นปกตินะ เอถามว่ากี่วาระต่อหนึ่งเดือนก็เกือบจะตอบว่าปีทั้งปีมันต้องทำสวนก็นเรื่อยไม่หยุดอันนี้ก็เป็นกฎของกรรมอย่างหนึ่งเห็นจะไปกรรมคงจะไม่เห็กรรมอย่างท่านเถมเขมะกะัศท่านเขมะกาศนั่นในชาติก่อนท่านเป็นนักมวยนักมวยปล้ำนักมวยปล้ำรลุร่างไม่สวยมันเหมือนกับอะไรพร้อมแล้ว หมอกเืยผู้นี้รูปร่างไม่สวยผู้หญิงก็ไม่รักท่านก็เกิดความเจ็บใจว่าชาตินี้ไม่มีใครรักก็ชังชาติหน้าฉันต้องหาคนรักให้ได้ <c oughs> ยังได้นำทองคำปเปลวไปปิดพระพุทธรูปตอนที่ยกแผ่นทองคำขึ้นปิดท่านอธิษฐาน ว่าผู้หญิงใดที่ไม่ได้คลานตามออกมาคือไม่เป็นพี่เป็นน้องคลานตามออกมานี่ทุกคนเห็นแล้วจงรักก็มีความกระสันคำอธิฐานเพียงเท่านี้ท่านเกิดมาชาติหลังรู้สึกว่าความรักของท่านดืน่นผู้หญิงนอกจากพี่จากน้องที่คลานตาออกมาแล้วเจอดหน้าทนไม่ไหวนี่เป็นกฎขงกรรมที่ทำบุญผสมกับความต้องการ แต่สำหรับผมก็ไม่ทราบมีกรรมอะไรไม่ทราบทาบุญอะไรทำรหรือเปล่าได้สร้างกรรมอะไรไว้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบอิเลเพปะมาเรื่อยเจนกระตั้งถึงอายุสิบสี่นี่ก็รู้สึกว่าสร้างสวนนี้ไว้เยอะหลายสวนจริงสวนลุ่นพี่สวนลุ่นเดียวกันสวนลุ่นน้องมันมีสามสวนก็จู่ต่อมาวันหนึ่งร่างกายก็ดีๆ อันนี้เราเรื่องตายผมอยากจะพบคุณทั้งหลายทราบว่าอย่าไว้ใจชีวิตจะคิด่ร่างกายมันสมบูรณ์บริบูรณ์ตอนเด็กๆผมชอบเล่นกีฬากีฬาวนบอกกีฬาในน้ำนี่ชอบมากการออกกำลังรู้สึกว่าเป็นปกติวิ่งไม่พอจะกระโดดโลดเต้นไม่พอคว้าจอบประฟันดิน พันดินปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็ตักน้ำลดเอาทุกอย่างให้มันมีโอกาสได้ออกกำลังก็แล้วกันฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงของร่างกายเป็นของไม่หนักใจแต่ด้วว่ามีจุดหนึ่งที่พวกท่านต้องคิดผมผ่านมามันอยู่ดีๆโลกนี้มันลำบาก ท, ที่อื่นคือว่าอาการถ่ายจระถ่พูดพะัาแล้วก็ออเจียน เวลานั้นในตำบล น, นั้นมันยังไม่มีผมอยู่กับเพื่อนชายคนหนึ่งจะไม่ใช่เพื่อนแต่ความจริงเขาเป็นคนรุ่นพี่ตอนนั้นเขายุสิบเก้าหรือยี่สิบปีผมจำไม่ได้เขาเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่เลยวัาไปธุระ ก, กันหมดเหลือผมสองคนกับเพื่อนรุ่นพี่ อยู่ๆพอตอนเย็นมันก็ต้องถ่ายทั้งไอจเจียนทั้งถ่ายพืชผักเขาเรียกทั้งลงท้อรากเป็นว่าบรรดาเพื่อนบ้านทราบข่าวใกล้ๆเขาไม่ไม่ช้าให้คำว่าทราบข่าวก็เห็นนี่ครับกำลังคุยกันอยู่อะไรกันอยู่ปึ๊บปั๊บก็ถามไปนํามาปอกไปสวมเดี๋ยวเข้าสวมถ่ายสามครั้งเริ่มหมดแรงเพราะในท้องไม่มีอะไรถ่ายมันก็ไอจเจียนด้วย ท่านแพทย์ผู้ทรงคนพิเศษสองสามท่านก็ให้มาการให้การรักษาการจริงโรคอย่างนี้ยาของท่านเคยจะงัดผมก็เคยเห็นแต่ ว, ว่าการรักษาวันนั้นทั้งสองคนเป็นร่วมกันไม่มีผลเลยยาให้ไปเท่าไหร่ก็ตามยากินก็ดียาฉี ก, ก็ดีการโนดฟังคันบาทา ทุกอย่างทางพวกทุกอย่างไม่มีทางพื้นไม่มีทางดีขึ้นโรคไม่คลายตัวในเมื่อโรคไม่คลายตัวทุกคนก็เปลี่ยผมเปลี่ยนะอีกคนเขาก็รู้สึกเขาเขาเป็นหลมกว่ากําลังจะดีกว่าเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันผมก็เคลิมหลับเวลานั่นดูว่าจะเป็นเดือนถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เป็นเดือนสิบสิบเอ็ด เขเรียสิบเอ็ดน้ำนองเวลานั้นปีนั้นบัเอิญน้ำมากหน่อยไม่มากเกินไปน้ำท่วมมาใกล้พื้นบ้า น, นหมายความท่วมพื้นแผ่นดินสูงขึ้นมาพอประมาณไม่มากเกินไปแต่ว่ามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาในยามปกติดัะนั้นกระดาษที่เคลิ่ไปพอเพลียจั ด, จดเห็นว่าเป็นเรือลำหนึ่ง เป็นลักษณะเรือเขาเดินเที่ยวทะเลก็เป็นเรือไม้ใหญ่ๆ ห, หัวทรงสงูงทาสีขาวเทียบถ้ามันด้าบ้าน <c oughs> ผมก็นึกในใจว่าคลองมันเล็กแล้วทางเข้าบ้านเราเรือใหญ่ขนาดนี้ก็เข้าไม่ได้เอเรือลำนี้มันเข้ามาได้ยังไงเรือลานั้นเทียบถ้าเทียบติดชานบ้านก็มีคนสี่คน ก้าวขึ้นมาจากเกลือคนสี่คนในรูปร่างเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีมากผิวพันก็ดีแต่ว่าเครื่องแต่งตัวชุดเดียวกันหมดนั่นคือสีแดงกางเกงขา ย, ยาวก็สีแดงเสื้อแขนสั้นแค่สอ ก, ก็สีแดงผ้าโพกหัวก็สีแดงแต่ท้ว่าตอนก้าวขึ้นมาบ้านผ้ามาหนึ่งโกหัวเขาคล้องคอง ขณะที่อยู่ในเรือก่อนที่จะขึ้นมาเหงนผ้าโพกหัวสีแดงพอจะขึ้นมาบ้านเขาก็ตลดผ้าจากหัวมาคล้องคอเสียเป็นผ้ายาวคล้ายๆผ้าขมาุมม้ายาวแบบนั้นจะพื้นสีแดงทั้งหมดพอก้าวขึ้นมาสองคนแรกเข้ามาใกล้ตัวยืนห่างสักหนึ่งวาีสองคนกล้ายืนชิดเฉลือกับชานกับชานบ้านริมชานบ้านชิดเรือ พอสองคนก้าวเข้ามาเขาบอกเอ๊ะที่นี่สองคนนี่วะอีกสองคนข้างหลังเขาบอกเอ้ยรับมันได้เลยเว้ย่ไม่มีพิษมีสงและไไม่ต้องปล้ากันเลยวะง่ายๆแต่สองคนที่เข้ามาก่อนเขาก็มองดูมองดูอย่างพินิษพิจารณาสักสักหนึ่งนาทีจะได้เขามองดูต้องมองดูผมแล้วก็มองดูเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ เขามองไปมามาก็บอกว่าเอาไม่ได้แล้วเราก็อาจไม่พูดกับเพื่อนเขาสองอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างเขาบอกเอาไม่ได้แล้วเราสองคนนี้อีกคนหนึ่งก็ถามพ่ออะไรเขาเปิดบัญชีพับว่าคนนี้เป็นลูกพระอินได้ก็ไม่ทราบว่าไอ้ใครมันไม่วางยานไม่ดูหน้าคนลูกพระอินเนี่ยไปไม่ได้ถ้าเคยไปเรามีโทษ พอเขาพูดเท่านั้นก่อนที่เขาจะกลับเขาก็ยกมือไหว้ล้วคคอมหัวหลงคล้ายแสดงความเคารพผมก็ไม่สนใจเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามเพราะว่าเพลียแงแก่อยู่แล้วพอหันหลังกลับเขาก็วิง่งปุ้ยขึ้นเรือเขาบอกสองคนเร็วเราจะมีโทษอีกสองคนก็นโดดกันเตือนเหล็กตะลานลองถามมีโทษอะไรวะ คนนั้นบอกคนนั้นโรคไว้อินแล้วใครมันวางยาไม่ได้ดูหน้าดูตาคนนี่เราจะมีโทษกันคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเขาได้เลยแล้วเรือลำนั้นก็วิ่งจูดหายวับไปกับตาผมก็หลับอุ้ยสบายเลยหลังจากนั้นหลับไม่รู้สึกตัวเมื่อตื่นขึ้นจริงๆเวลาตอนสาย ความจรงหลับตอนนั้นฉัจะเป็นประมาณทักงสองทุ่มเศษๆเห็นจะได้ความเพียรจัดแล้วก็หลับไม่รู้สึกรู้เสียเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆรู้สึกตัวจริงๆเห็จะเป็นประมาณทักงสองโมงเช้าหรือสามโมงไม่ทราบมันสายแล้วก็ไม่มีเวลาดนตรีกาพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าไอ้ความปวดท้องปวดเสียษมันหายไปหมด อาการต่างๆที่เป็นอยู่หายหมดท้องโลง่งมีอาการกคล้ายๆก็ทานยาอย่างดีในความรู้สึกก็รู้อยากจะกินแกงไก่แล้วก็เป็นแกงเผ็ดมันต้องเผ็ดมากๆอยากกินเผ็ดมากๆความจริงว่โรคประเภทนี้เขาก็ห้ามกินข้าวสวยอยู่แล้วต้องกินข้าวต้มหรือข้าวทิละทีุ่ศ ในช่วงที่ป่วยใหม่ๆเขาก็เอาน้ำข้าวเอาน้ำข้าวคนๆมาให้กินกวาจริงตามหลักวิชาแพทย์เป็นอย่างั้ น, นะครับ <c oughs> แต่ว่าวันตอนเช้าน้ำมันหิ้วจัดนี่ทำไงนะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะกินแกงไก่ก็แปลกและก็ต้องเป็นแกงเผิด <c oughs> ถ้าเป็นแกงแบะเพล่ขี้เมากินก็จะดีมาก ก็เลยลุกขึ้นไปในครัวพอลุกขึ้นก็มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งถามว่าพ่อเล็กจะไปไหนก็บอกว่าผมจะนําล้างหน้าครับท่านบอกขันล้างหน้าอยู่ที่บอกไม่เป็นไรครับผมกําลังจะไปตักน้ำในครัวเลยต้มมันล้างหน้าแต่ความจริงใหญ่จะกินข้าวแลก็บอกว่าข้าวต้มเข้าต้มไม่ดีแล้ววางอยู่หม้อข้างๆนั้นแล้วก็นี่กะต้มปลาเค็มๆสําหรับ ใส่กับข้าวต้มที่เดีือดข้าวต้มปลาก็แล้วกันข้าวผสมข้าวต้มปลาไว้จะกินเป็นข้าวต้มผสมปลาเป็นข้าวต้มปลาผสมเข้าวต้มเครื่องหรือไม่ก็ตามหรือว่าตากินก็ตามใช้ได้ทั้งสองอย่างพอเข้าไปในครัวผมก็ปิดประตูลงกรอนแล้วก็ไม่มีใครก็ว่าจะเข้าไปกินข้าวหรือเข้าไปล้างหน้าในครัวก็มีอ่างล้างหน้า พอไปถึงก็แทนที่จะเปิดข้าต้มก็เปิดฝาหม้อข้าวสวยเห็นแกงในกระทะก็ปรากฏมาทราบทีหลังก็่คืนวันนั้นน่ยทั้งคืนขณะที่ผมหลับได้ก็เพื่อนลุนพี่ผมหลับคนเขาก็มาเฝ้าใครกวานจริงเราสองคนไม่รู้ว่าใครมากันบ้างเลยก็คนมามากด้วยกันเมื่อดึกๆเข้าทุกคนก็งวงกลับไปบ้านบ้างนอนค้างบาง ตอนนี้พวกที่จำเป็นจะต้องเฝ้าอยู่นานตลอดคืนเคร่งอันตรายจะมีกระร่างกายคนป่วยไหนก็จะไปอะไรจะได้สาบก็แกก็เลยเหงาถึงตอนดึกเหงาก็เอาเหล้าก็มากินก็บริสืบก็ไปไอ้ไก่ที่มันหาซื้อไม่ยากข้างๆบ้านมีตลาดมีร้านค้าสั่งเขาหน่อยเดียวเขาหามาให้ถ้ามันไม่ตายก่อนมันก็ตายเวลานั้นแหละ ในเรื่องของคนสั่งกับเรื่องคนกินคนขายร็ลองความว่าได้ไก่มาเขาแกงไก่แบบแกงป่าเผ็ดจ mm ี๋เลยเพราะาเปิดกระทะแกงเห็นหมแกงไก่ถูกใจ mm hmm. ก็เลยมาเข้าเล่นแบบข้าวรา่แกงแล้วไม่เป็นทุ่งไป่ถ้วยแล้มันสนัดกว่าไอข้าวรา่แกงในเวลานี้ผมก็ยังถนัดอยู่นะ จับพระจะบผูรีบด่วนนะผมรอข่าวหล่าแกงเสมอดีไม่ดีอยู่ขวาทผมรอข่าวหล่าแกงขี้เกียจตักไหลายๆจุดก็มารวมข้าวกับแกงรวมกันก็กินก็หมดเรื่องหมดรานี่เป็นปฏิปทาของผมฉะ <c oughs> นั้นนะว่าเห็นผมฉันแบบนั้นจะก่อจะไปนึกว่าโอ้กับข้าวหลวงพ่อมาเร็วเหลือเกินต้องคุกข้าวกินไม่ใช่คนชอบทําก็แบบนั้นเองขี้เกียจตักหลายจุดถือว่ากินเข้าไปก็หมดเรื่อง ถ้ารสชาติอย่างอื่นไม่มีความสาคัญเผ็นิดถ้าอ่อนเค็มหน่อยก็เติมน้าปลาหน่อยใช้ได้เลยว่านั่งก็ไม่กันตักก็มาแล้วก็รู้สึกของเขาไม่ต้องเติมเผ็ดไม่ต้องตามเค็มมันครบถ้วนกินเสดชามเบรอาการอย่างนั้นมาบอกอาการแห่งความตายแต่ผมกินอย่างคนอดโซกินเสร็จเรียบร้อยพงไป รู้สึกมีกําลังเพิ่มมากออกมาข้างนอกท่านญาติผู้ใหญ่ท่านนั้นถามพ่อเล็กรับทานอาหารแล้วหรือเ อ, อเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงครับที่จะถามไปอะไรบ้างหมอสั่งบอกว่าถ้าเป็นอะไรให้บอกให้ยาไว้กระบอกทิ้งจะไม่ต้องผมก็เลยบอกว่าน่าโกจะไม่เป็นไม่ต้องใช้ยาแล้วครับเพราะไม่มีอาการอย่างอื่นแล้วผมจะนอนสักคนเดียวแล้วก็นอนนอนเล่นๆไปมีญาติผู้ใหญ่สองคน ท่านมาในครัวท่านบอกเจ๊ข้าวสวยยุบไปแกงเผ็ดก็ยุบไปทํามว่าใครกินไปดูข้าวต้มถามว่าพ่อเล็กมาได้กินข้าวเลยหรือบอกผมกินครับแต่กินข้าวต้มทําไม่ไม่ยุบก็บอกผมไม่ได้กินข้าวต้มครับทํามว่ากินอะไรก็บอกว่ากินทํามว่ากินอะไรก็ต้องตอบว่า กินข้าวสวยกับแกงเผ็ดครับเขาตกใจใหญ่ทุกคนไปไปเรียกหมอมาบอกไม่ได้แล้วพอ่อเล็กนี้ตายแน่เ็บอก <c oughs> ก็นาครับโรจอาการก็แล้วกันเวลานี้มันไม่มีอะไรเลยครับอาการปกติทั้งหมดนี่ละบบ ร, รดาเพื่อนพิสูจน์สมณนนีที่รักได้ย่าโยมพุทธบริษัทได้ร่างกายของเราเยี่าไว้ใจมันนะครับ ผมนำเรื่องนี้มาเล่าสู่เพีนความความจริงมันยังไม่ตายตเรื่องกายของเราดีๆผมชอบออกกำลังกายแล้วก็เรื่องอาหารนี่ผมระวังมาตั้งแต่เด็กระวังจริงๆ mm hmm. เรื่องอาหารนี่ผมจะไม่จับพระจะผูกกินสมสี่สมหะกับเขาแต่ว่าทั้งๆทงี่จะระวังขนาดไหนโรคมันก็เอาที่พระพได้เจ้าทรงตรัสว่าโลกนี้เป็นนิจัง <c oughs> คำว่าโลกนี้ใบจังใกล้ตัวเราก็คือโลกเรามัอยู่ในโลกเป็นคนของโลกโลกของคนด้วยคนในโลกรวมความท่านโลกใบนี้จังทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกก็เป็นนิจจังโดยอนนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงนั่นตอนกลางวันผมไม่มีอาการว่าจะป่วยเลยอาการที่จะบอกเหตุว่าจะป่วยนี่ไม่มีเลยอยู่ๆจะพัดจะโถล่ก็เอาเฉยๆ เดี๋ยวส่วนที่มีความสําคัญการป่วยคราวนั้นมันตั้งตัวไม่ติดครับเห็นว่าการเล่าเรื่องป่วยต่างๆจะมีการภาวนาคุมตัวแต่นี้ตอนสิอายุสิบสี่เพื่อตอนอายุสิบสองเนี่ยมีมีความดีกว่าเยอะแต่ตอนอายุสิบสี่มันจะพัดจะผูัเอาจริงๆเรื่องภาวนาคิดถึงอะไรก็ตั้งตัวไม่ทัน ทางนี้พอ่ออะไรพญาติผู้ใหญ่หลายคนถ้ามีความเป็นห่วงมากเริ่มถ่ายท้องถ่ายสองครั้งทั้เอาอะอวอยวาจากที่นอนจัดอะไรกันกลุ่มเสียงเออะอวอยวานอนอยังงั้นความอย่างงงงายแบบนี้ล่อ ก, กันอย่หมดไม่มีเวลาตั้งตัวพอจากที่นอนไม่ทันะเสร็จผมก็วิ่งเข้าโซมอีกครั้งหนึ่งมันก็เพียจ่ายคัมภรภาวนาพิจารณาไม่มีแล้วครับ แต่ก็ยังมีส่วนดีอย่างหนึ่งที่เรามีความรู้ต่างความเป็นจริงที่ก็บอกว่าเวลาจะตายเรื่อนั้นนะถ้าตายแต่ไม่ค่อยดีนักถึงแม้ว่าจะเปลียกายก้ำกลึงก็ไม่ดีนักทั้งนี้เพราะอะเพราะมีท่านผู้มีเกียรติมาเชิญถ้าท่านผู้มีเกียรติมาเชิญอย่างนี้ต้องไปสานักพยาหยกก่อน ถ้าไปถึงสนัาขวายายยมไอความดีชั่วมันก็มีความดีก็ปรากฏแต่ว่าช่วงอายุสิบสองไปต้นมานี่มันักไม่ค่อยจะดีเรื่องการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตฆ่าปลาฆ่าดกอันนี้ไม่มีแน่ครับผมไม่นิยมการฆ่าสัตว์แต่เรื่องรักเรื่องขโมยก็ไม่นิยมก็ไม่จําเป็นต้องรักต้องขโมยมันมีกิน คำว่า ม, มีกินนี่ไม่ใช่หมายความรำรวยคนนึ้งผมกินง่ายๆตั้งแต่เ ด, เด็กมาแล้วไปโรงเรียนตอนเช้าผมก็ต้มไข่ต้มต้มไข่สองลูกแล้วก็เอาไข่มาละลายข้าน้าปลาผสมน้ำปลากินหนึ่งลูกใส่กระเป๋าไปหนึ่งลูกเท่านี้พอได้มาถึงบา้านกันเป็นกันถ้ามีอะไรชอบใจก็แกงถ้าแกงแล้วต้มชอบใจก็ใส่ข้าวใส่จานโปะไปลกิน เขาเรียกว่ากินข้าวราดแกงข้าราดต้มแล้วก็ช่างชอบกินแบบนี้เอ่อ ก, กินงผ ม, มง่ายๆดนการกินก็ไม่หนักเจ้าบาปเพราะการกินค่าสัตว์ชีวิตไม่มีสําหรับผมอันนี้เอ่อกันโมสาวาดโกหกเรื่องโกหกนี่ต้องมีแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีไปคุยกับสาวน้อยบางสาวเล็กบางสาวใหญ่บาง ก็พูดจริงมากอพูดโกหกแต่ความจริงแต่รายไม่ต้องพูดมากเออแต่รายก็ผมก็เป็นแขกรับเชิญอยู่แล้ว่เวลาจะพูดพลาดบ้างไม่บ้างเป็นการพูดสนุกมากกว่าบางทีก็พูดเอาใจแกดีน้อยก็ชมไปแกดีมากให้แกยิ้มยิ้มไปเราเองเราตอนนั้นก็ต้องความก็ต้องการความชื่นใจชั้นใดเทก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกัน เรื่องเป็นเรื่องเป็นผู้บาปเป็นมีบาปเพราะเป็นแขกรับเชิญก็เป็นเรื่องหนักใจจแต่ยังกล่าวว่าเวลานั้นเราขาดภาวนาถึงแม้ความจริงแม้แต่ความมุ่นวายจะเกิดคนอื่นเขาวุ่นวายแต่เราก็ประมาทเองความป่วยไข้ไม่ส บ, บายจะพระจะผูกผูมาโดยไม่มีการตั้งตัวการสติเขาไปคุมได้กุศลจึงไม่มี แต่ก็ยังดีที่ท่านเจ้าหน้าที่ผู้มาเชิญเมื่อท่านมองด้วยพินิษพิจรารณาท่านหยิ บ, ยบตำลาแล้วเปิดภัพฉันบอกคนนี้เอาไม่ได้แล้วคนนี้เป็นโรคประจินใครวางยาไม่ดูหน้าดูหลังท่านสับใช้สับโอวางยานี่ผมก็แปลกกระรวงความมาโรคประโลกประเภทนี้ผีต้องวางยาคน ราอนี้จะมีความเท็จจริงยังไงก็ไม่เป็นเรื่องก็กตามเรื่องผมไม่ไ ม, ไม่วินิจฉัยแต่ได้ยินมาอย่างนี้จริงๆเวลาเขาวางยาผมก็ไม่ยนินกลัวความเขาไม่เอาผมถ้าไปเอาเพื่อนรุ่นพี่ของผมด้วยเขาก็พาไปกระโดดขึ้นเรือเร่งวิ่งหนีเร็วพกไปเร็วเรือ ว, ว, วิ่งจุดหายวับไปเลย <c oughs> เป็นนั้นว่าคราวนั้นถ้าผมต้องตายไปตามสภาพที่เขาตายกัน ก็ต้องไปสำนักขบวนยายมแน่แต่ที่สำนักขรวนยายมนี่ท่านก็นทรงคงเส้นคงวาถ้ามีความยุติธรรมให้กรรมประเภทที่ผมทำหนักเวลานั้นก็คือสิ่งข้อที่เสียสามคือเป็นแขกรับเชิญสำหรับรุ่นพี่รุ่นเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องแล้วก็ไม่มีใครเขาไขัดคอ ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขาหัดใจมีแต่คนตามใจก็แปลกแต่ก็มันเป็นบุญผมคิดว่าครานั้นถ้ากลับไปได้ผมก็ต้องไปต้มประกายตัวงิ่งแยกจังแยกแน่เอ้ตัวนี้เวลานั่นก็ความจริงก็ไปดูบันนะ่ะอันนี้ผมขอเตือนว่าไอ้การที่ปฏิบัติพกรรมฐ า, านวันดาท่านก็ดีผมก็ดี <c oughs> เย็นนึกว่าผมพิเศษวิโสเกินมนุษย์ธรรมดาใม่ใช่อย่างนั้นเยอะเข้าใจผิดบางท่านก็นมาตั้งผมสรุหร้อเลยตั้งเป็นพระอรหันต์บ้างตั้งเป็นผู้ทรงชันตั้งเป็นพระอรหักต์ความจริงตั้งกันไว้ทรงเดชจะมีประโยชน์อะไรเยอะไปตั้งการการตั้งการพิจารณาไม่ใช่เรื่องของกฎของกรรมให้กฎของกรรมเขาตั้งเอง นี่เวลานั่นท่านฟังมาแล้วแต่ตอนต้นว่าตอนอายุสิบสองผมตายมาแล้วผมก็ไปดูนรกสวรรค์แต่มันไม่ได้ลงไปเองแค่นั่งที่ยอเขาแห่งหนึ่งว็าบอกท่านลุงท่านลุงก็กมาจะต้องการนรกขุมไหนขุมนั้นก็มาไอขุมต้นงิ้วนี่ผมก็ชมแต่ก็ไม่ได้เดินกรไล่เฮ็ดจะมองดูอันนี้ลักษณะการมองดูเป็นของไม่ดี ที่โบราณไบอกาสิกปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบปากก็าตาเห็นไม่เท่ามือคลำว่า น, นี่เป็นของจริงถ้าทางที่ดีมันต้องโดดป้องลงไปสัมผัสสน่อยรึง จ, จะรู้เรื่องก็เป็นนั้นว่าท้งทีง้เห็นเวลานั้นถ้าอย่าพูดกันไปยังไม่บทก็ถือว่ามีชาโลูกีประจําใจแล้วก็มีมโนมิทิบางส่วนอยู่แล้ว ให้ส่ว น, นต่างๆที่ยังไม่ได้เพราะความโง่ไปแค่นั้นได้ไมน่น่าจะไปที่อื่นได้แต่ไม่มีใครสอนให้นี่นโทษเร่งการรับศึกษาการศึกษาไม่ครบถ้วนเป็นแบบนี้เลยไป้องมองเห็นแต่ว่าเห็นเขาขึ้นตัว อ, อิวเห็นเขามีบาต่าๆมีทุกขเวทนาแต่เวลาที่ตันหาน่ามดึดไอ้ตันหามันผล่ขึ้นมาเนี่ยมันหน้ามดึด ลืมต้นยิ้วลืมไฟในรกลืมหอกลืมดาบที่สับฟันและแทงลืมคอ้อนใ ห, ใหญ่ที่ทุบหัวลืมทั้งหมดสิ่งที่เห็นมาต้องการอย่างเดียวคือความปรารถนาที่เราต้องการจะต้องสมหวังและความปรารถนาประเภทนั้นเมื่อตั้งใจที่ไหนสมหวังที่นั่นก็เลยละเลงใจ แล้วก็มาคิดไปในใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ทําบาปเพราะท่านโพูดนี้ยังไม่ได้เป็นพัญญาของใครเวลานั่งคนก็าพูดกับเด็ว่าถ้าผิดลูกเขาเมียเขาไอ้คําว่าผิดเนี่ยมันไม่บาปไปชนลูกเขาเมียเขาแต่ลูกเขานี่คขาไม่เบาๆ ก, ก, ก็ต้องเมียเขาคําว่าลูกเมียแต่เมืนเขาก็บวกกันว่าลูกทั้งลูกต้งเมียแต่ความจริงก็พูดจะพ่อมียของชาวบ้าน แต่ว่าเราที่จะเริ่มเริ่มสถาบันนานอกแบบนิดๆหน่อยๆเขาไม่ได้ถือว่าเป็นบาปประเภทนี้นี่ว่าสถาบันนานอกแบบสถาบันานเงียบๆรู้กันระหว่างสองคนดีไม่ดีคนอื่นเขาก็ช่วยรู้เยอะไหมือนกันแต่มีบางแห่งก็ปลอดเพราะว่าท่านมารดาอนญาตรายได้ปลอดแน่ก็รวมความว่ามัน ไนพระในพระเวรในเท่นานั้นธรรมะขาตัดบอกมันผิดทั้งหมดลูกเขาก็ผิดเมียเขาก็ผิดคนรับใช้ก็ผิดคนในปกครองของใครก็ผิดเขาก็ผิ ด, ผดทั้งนั้นเป็นการไม่หมดกกรวมว่าโทษเพราะความไม่รู้มีอยู่แล้วก็ทั้งทั้งนีง้เห็นรู้แ ล, แล้วรู้แล้วกว็าตามจึงขอแนะนํนาบรรดาเพื่อนบิณฑษมันเลนเพื่อการที่ทุกท่านปฏิบัติได้มนโนยิทธิทั้งบรรดาญาโยมพระตุภิษัยก็ตาม อย่าท่านโงตัวว่าเราดีแล้วมันยังไม่พ้นอันบายภูมิอย่างผมเนี่ยเป็นตัวอย่างไปเจอเข้าตันหาผาน่ามึดยึดอารมณ์ความต้องการเป็นสำคัญแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการที่คนเขาไม่ขัดใจแต่จะว่าไปจริงๆแล้วมันก็บาปให้ขอบรรดาเพื่อนบิณฑ์สุดสมัมฤทนิ์ในนัดาญาโยมทุกบริษัทอย่าประมาทในจิตของเราจะคิดว่าเราดีแล้ว ถ้าพระองค์สมเด็จพระบัธที่แก้วจงตัดว่าถ้าเราจะพ้นภัยอบายภูมิจริงก็คือต้องเป็นประโสดาบันประสดาบันก็ไม่มีอะไรมากคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีสินห้าประสริใช้ได้เนียบายภูมิได้สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุญ ผ, ผลยมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและอ่านทุกท่านสวัสดี